เผู้ครอบงามธรรมทั้งปวงพระพุทธภาสิตสภาพิภูสภะวิฑูหมัสสมิสัพเพสุธรรมเมสุอนุปริโตสาาโัพพันโะโหตันหักขยเยพิมุตโตสยังอภิน ญ, ญายะกะมุติสยยังแปลว่าเราครอบงามได้หมดเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงไม่ติดในธรรมทั้งปวง ละทาทั้งปวงได้แล้วพ้นแล้วในเพราะความสิ้นไปแห่งตันหารู้ได้เองแล้ววงเล็บเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาคําว่าสภาพิภูแปลว่าครอบงำได้ทั้งหมดครอบงำอะไรแก่ว่าครอบงำทาทั้งปวงภูมิทั้งปวงกล่าวคือภูมิสมคือกามรูปและอรูป คือรุ่งเรืองมีอำนาจเหนือบุคคลและสิ่งทั้งปวงในภูมิสามคำว่าสัพพวิฑูแปลว่ารู้สิ่งทั้งปวงเป็นต้นว่าทมใดเป็นกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรและโรกุตระข้อว่าไม่ติดในธรรมทั้งปวงความว่าทั้งทั้งที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงแจ่มแจ้งในธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ทรงติด ในสิ่งใดไม่ทรงเพลินในนิพพานไม่ทรงติดแม้ในนิพพานเพราะเห็นแจ้งแล้วว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์ทรงละสิ่งทั้งปวงเพราะสิ้นความอยากทรงละทิ้งบุญและบาปทั้งธรรมและอธรรมเหมือนผู้พ้นแล้วจากปวงทั้งปวงทั้งที่ทำด้วยเหล็กหรือทำด้วยทองสองอย่างนั้นแม้จะต่างกันโดยชื่อโดยสีหรือโดยขนาดแต่ก็เหมือนกันโดยความเป็นเครื่องผูกมัด หรือเป็นเครื่องจองจําสัตว์ไว้ในโลกในภพสาทรงรู้อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทได้เองโดยไม่ได้เรียนมาจากครูอาจารย์ใดเมื่อเป็นเช่นนี้จะผึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาของพระองค์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อเสด็จระหว่างทางจากโพธิมณฑลสถานสู่เมืองพราราณสีทรงปรารถบุปการชีวกมีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระศาสดาทรงได้บรรลุพระสัตร พันยุตยานแล้วมีพระประสงค์จะเสด็จไปโปรดปัญจวักขีนักแขวงเมืองพระานาสีระหว่างทางได้พบอุปกาชีวกวงเล็บอาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะเขาเห็นภาษาสดาแล้วทูลถามว่าอินทรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพันก็บริสุทธิ์ท่านบวชกับใครใครเป็นาศาสสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใคร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำทำทั้งปวงรู้ทำทั้งปวงเป็นต้นจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นาศาสดาดังกล่าวมาแล้วแต่ต้นอุปกาชีวกฟังแล้วไม่ยินดีไม่คัดคา้านพระดำรัสนั้นแต่สันศีษะแลบลิ้นล้วจากไปไปอาศัยอยู่ณนะบ้านในพรานเนื้อแห่งหนึ่งโปรดดูเรื่องพิสดารในพระอ น, นุ์พุทธอนุชาบทที่ิถึง บางแห่งท่าว่าสายสศีษะคือยอมรับไม่ใช่ไม่แสดงความเคารพนะถ้าเราไปอินเดียนี้ถ้าเขาสายสายหัวอย่างนี้คือยอมรับถ้าพยักหน้านี้ไม่ได้มันคนละอย่างกับเราเลยของเราพยักหน้าของเขาสายถ้าสายหัวก็คือโอเคโอเคหัวเ ง, งินมันคนละอย่างกันนีกิริยาท่าทางฉะนั้นเวลาพระตักระทาจารย์ท่านแปลให้เราได้อ่าน พุทธประวัติเนี่ยก็มักจะแปลลักษณะนี้ว่าเป็นการยอมรับไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับ1ิบธรรมทานพระพุทธภาษิตสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพรสังธรรมระโสชินาติสัพพรติงธรรมระติชินาติ ตันหักคโย ο, สภพทุกขังสินาติแปลว่าการให้ทำชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงอันนี้สูตรนักทำตรีใช้เยอะเงี้ยนะสั้นๆใครสอบนักทำตรีก็พุทธภาสิทธินี้เป็นที่นิยมสั้นๆง่ายๆอธิบาย ทานนั้นในพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้สองอย่างคืออามิส h ทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งการให้สิ่งของภายนอกทั้งปวงเรียกอามิสสทานการให้ทมการพร่ำสอนให้เว้นชั่วทำดีเรียกธรรมทานทั้งสองอย่างเป็นกิจที่ดีควรทำแต่ทรงยกย่องธรรมทานว่าเลิศเพราะอามิ t h นั้นอาจจะเป็นโทษก็ได้บางคนได้รับอามิ t คือลาบมากก็มัวเมาในลาบยศ แต่ทำมีแต่จะทำให้เป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วลาบยศที่เกิดแก่คนดีย่อมไม่เป็นโทษแก่ใครอามิสสถานนั้นอาจจะให้โทษหรือขุนก็ได้สุดแล้วแต่โยนิสมนัสการของผู้ให้และผู้รับพระอัตถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าถ้าบุคคลพึงถวายจีวรแก่พระพุทธเจ้าพระประเจกพพุทธเจ้าและพระขีนาศพทั้งหลายผู้นั่งติดติดกันในจักรวาลถึงพรหมโลก การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเดียวในสมาคมนั้นยังประเสริฐกว่าอามิสทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบแห่งพระดารัสของพระพุทธเจ้าการแสดงก็ดีการกล่าวสอนก็ดีการสดับก็ดีซึ่งธรรมเป็นของใหญ่อย่างนี้อันหนึง่งการฟังธรรมมีอานิสงส์มากธรรมทานประเสริฐกว่าบิณฑบาต ท, ทานอันประณีต กวาเสนาสนทานอันโอราณเช่นมหาวิหารและโลหะปราศาสตตั้งหลายแสนกว่าเพสศทานอันประณีตอันหนึ่งคนเหล่านั้นทําอามิสทานเหล่านั้นได้ก็เพราะได้ฟังธรรมมาก่อนเว้นพระพุทธเจ้าและพระบาเจกพระพุทธเจ้าเสียแล้วพระสาว ก, กอื่นๆแม้มีปัญญาเช่นพระสาวรีบุตรก็ต้องฟังธรรมเสียก่อนจึงทําที่สุดแห่งทุกขสละตนออกจากพบได้ แม้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเองที่ทรงได้รับการยกย่องจากภาษาวกทั้งหลายก็เพราะทรงประทานธรรมทานอยู่เป็นประจำแก่ภาษาวกทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนมาชีพดังนั้นธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดย่อมชนะทานทั้งปวงข้อว่าสภะรัสังธรรมระโสชินาติรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงนั้นอธิบายว่ารถอย่างอื่นยังเจืออยู่ด้วยโทษ โทษเพราะน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินเป็นต้นอันหนึง่งการติดในรถแห่งวัตถุเป็นต้นว่ารถอาหารย่อมก่อให้เกิดกิเลสบาปธรรมมากมายรถกามก็เหมือนกันส่วนรถแห่งธรรมมีคุณโดยส่วนเดียวพระอัตถกถาจารย์พารณาไว้ว่ารถทุกชนิด ท, ที่เกิดจากต้นไม้หรือรถชั้นสูงเช่นสุทารถรถของเทพยดาย่อมเป็นปัจจัยให้สัตว์ตกไป และติดอยู่ในสังสารวัฏเสวยทุกขโดยแท้ส่วนรถแห่งพระธรรมกล่าวคือรถแห่งโพธิปัจกียธรรม37และโลกุตระธรรม9ประเสริฐกว่ารถทั้งปวงข้อว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงนั้นความว่าความยินดีในอย่างอื่นเช่นความยินดีในบุตรภรรยาหรือทรัพสมบัติความยินดีในลาบยศชื่อเสียงความพอใจในดนตรีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้น ย่อมเจืออยู่ด้วยโทษและทุกน า, นานาประการเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยมีทุกขตามมามากส่วนความอิ่มใจอันเกิดจากธรรมของผู้สอนธรรมก็ดีผู้ฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีละเอียดอ่อนลึกซึ้งลุ่มลึกและสามารถส่งบุคคล น, นั้นให้พ้นจากทุกได้ข้อว่าความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานซึ่งประเสริฐกว่าทุกอย่างครอบงำทุกอย่าง เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชวตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเท้าสกะเทวราชมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าสมัยหนึ่งพวกเทพชั้นดาวดึงประชุมกันตั้งปัญหาขึ้น4ข้อว่าบรรดาทานทั้งหลายทานชนิดไหนยอดเยี่ยมบรรดารถทั้งหลายรถอะไรเลิศบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีอะไรเป็นเลิศบัณฑิตกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งตันหาประเสริฐที่สุดเพราะเหตุใด เทวดาทั้งมวลไม่อาจตอบปัญหานี้จึงพากันไปหาเท้ามหาราชแม้ท้ามหาราชก็ตอบไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าเท้าส ก, กะเท้าส ก, กะได้นําเทพทั้งมวลมาเฝ้าพระทศพลณนะเจตาวนารามทูล ถ, ถามปัญหานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเฉลยว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงเป็นอาทิมี น, นัยะนางพรนนามาแล้วแต่ต้นเท้าส ก, กะทรงสดับธรรมกถาของภาษาสดาแล้วทูลว่า ธรรมทานมีอานิสงส์ถึงป่านนี้เหตุไฉนพระองค์จึงไม่รับสั่งให้ให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์บ้างพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อภิกษุแสดงธรรมหรือฟังธรรมหรือสนทนาธรรมขอให้ให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปอ น, นี้ก็เป็นการแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลมีความดีแล้วก็แบ่งปันความดีแม้เป็นวัตถุ โดยเป็นนามธรทำโดยเฉพาะนามมาทำก็ต้องนึกไปทางที่ดีได้ความดีมีความดีก็นึกให้ดีก็คือนึกอุทิศ ส, ส่วนความดีให้แกะสะ่สัพพสัตถ์หลายแม้เทพเทวดาก็ตามพวกนั้นก็ยังอาศัายส่วนบุญอยู่เหมือนกันนี่มีบุญได้เป็นเทพเทวดายังอยากได้บุญอยู่คื เ, เพราะว่าบุญนั้นมันไม่แน่นอนที่เขาได้รับผลอยู่นั้นไม่แน่นอนอขึ้นสวรรค์อาจจะ ล ง, ลงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าหมดบุญนะนึงต้องการบุญเพื่อหนุนให้สูงขึ้นเนี่ยถึงมาขอบุญกับพระพุทธเจ้าเหมือนกั น, นสิบเอ็ดโพคะฆ่าคนสามปัญญาเนี่ยพระพุทธภาสิทธะนันติโพคาทุมเมทังโนจะปาระคะเวสิโน โพคะตันหายะทุมเมโทตันหิอันเยวะอัตตนังแปลว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนชั่ววงเล็บคนที่มีปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าคนแสวงหาฝั่งคนมีปัญญาชั่วย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะอธิบายว่าวิธีที่โภคะจะฆ่าคนสามปัญญานั้นมีอยู่หลายวิธีเช่นหนึ่ง คนสามปัญญาใช้โภคะไม่เป็นคือได้ทรัพย์โดยชอบธรรมแล้วไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เช่นมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. คนสามปัญญาใช้ทรัพย์ไปในทางเสื่อมเช่นเล่นการพ น, นันเมาสุราอารวาสหลอกลวงหญิงจ้างคนให้ฆ่าคนและประกอบมิจฉาชีพอืนอ่นๆ 3. คนสามปัญญาได้ทรัพย์แล้วไม่อาศัยทรัพย์นั้นเป็นรั้วป้องกันตน แต่กลับใช้ทรัพ์สร้างศัตรูเช่นยกตนข่มผู้อื่นให้คนอื่นเกลียดชังเป็นการชักศึกเข้าบ้านทรัพ์นั้นอาจวิบัติด้วยโจรภัยและอักขีภัยโภกทรัพย์สามารถฆ่าคนสามปัญญาได้ด้วยวิธีต่างๆดังพันานามานี้แต่มันไม่ฆ่าคนที่สแสวงหาคือฝั่งพระนิพานเพราะคนเช่นนั้นย่อมอาศัยรั์เป็นเครื่องมือในการทาความดีให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพาน อันหนึ่งคนสามปัญญามีความโลภในทรัพย์จนเกินไปไม่รู้จักพอต้องประกอบกรรมชั่วต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มากรรมชั่วนั้นย่อมหวนกลับมาฆ่าบุคคลผู้นั้นเองให้ประสบภัยพิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตัดว่าบุคคลผู้สามปัญญาย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทะยานอยากในโภคะพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณนะเฉตวนารามทรงปรารบเศสตีคนหนึ่ง ผู้ไม่มีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้เศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองสาพัถีมีทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตรเมื่อเศรษฐีนั้นสิ้นชีวิตลงทรัพย์สมบัติตกเป็นของหลวงพระเจ้าภระเศษที่โกศลให้ขนทรัพย์นั้นอยู่ถึงเจ็ดวันแล้วสเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลเพิ่มเติมว่าพระเจ้าข่าทราบว่าเศรษฐีนั้นเมื่อบุคคล นำอาหารอันมีรสเลิศเข้าไปก็ให้ทุบตีคนเหล่านั้นพรางว่ามนุษย์ต้องกินอาหารเลิอดรสอย่างนี้เถยวหรือพวกเจ้าเยอะเย้ยเราหรืออย่างไรดังนี้แล้วไล่คนพวกนั้นหนีไปแล้วบริโภคข้าวปลายเกลียนกับน้ำผักนองพรางกล่าวว่านี่คือโภชนะสำหรับมนุษย์แม้เมื่อบุคคลนำเครื่องอุปโภคเป็นต้นว่าเสื้อผ้าและยานพาหนะชนิดดี เขาจะทุบตีขับไล่คนเหล่านั้นพร้อมกล่าวว่ามนุษย์จะต้องใช้ของดีอย่างนี้เถยวหรือแลแล้วก็ใช้แต่ร่มที่ขาดหรือเก่ารองเท้าที่คล่ำคร่าเกวียนหักเป็นอาทิพระาศาสดาเล่าบุพกรรมของเศรษฐีให้พระราชาทรงสดับว่าในอดีตการเศรษฐีนั้นต้อนรับพระปัจเจกับพระเจ้าพระนามว่าตะคราสิก ข, ขีบอกภรรยาให้เอาของใส่บาตรท่าน แล้วออกจากบ้านไปภรรยาดีใจที่นานาได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งจึงจัดแจงโภชนะอันประนีตบรรจุให้เต็มบาทของพระประเจกพุทธเจ้าฝ่ายเศรษฐีกลับมาเห็นอาหารอันประณีตในบาทของพระปเจกพุทธเจ้าเกิดเสียดายว่าอาหารอย่างนี้ให้แก่คนที่ไม่ทำอะไรไม่มีประโยชน์ให้แก่ทาตกรรมกรเสียดีกว่าอาหารของเราชิบหายเสียแล้วหนึ่งเศรษฐีนั้น ข้าหลานชายคนหนึ่งของตนวงเล็บลูกของพี่ชายเพื่อแย่งทรัพย์สินเมื่อพ่อของเด็กสิ้นชีวิตไปข่าแล้วบกไว้ที่ก่อไม้แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตัดต่อไปว่ามหาบอพิษอานิสงส์ที่เศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระประเจกวัตเจ้าในครั้งนั้นอำนวยผลให้เศรษฐีเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจ็ครั้งแต่เพราะเหตุที่ให้แล้วเกิดความเสียดายในภายหลัง จิตของเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคใช้สอยสมบัติอันโอฬานพอใจแต่การใช้ของเร็วๆบาปที่ฆ่าหลานแย่งทรัพย์ทำให้ต้องตกนรกหลายแสนปีและเป็นผู้ไร้บุตรทรัพย์สมบัติต้องเข้าคลังหลวงอันหนึ่งบุญเก่าของเศรษฐีนั้นหมดแล้วบุญใหม่อันเศรษฐีนั้นไม่ได้สั่งสมเลยบัดนี้เขาบังเกิดแล้วในมหาโรรุวนรก พระราชากล่าบทูลว่าเป็นกรรมหนักของเศรษฐีนั้นจริงๆพระเจ้าข่าที่มีทรัพย์ก็ไม่ได้บริโภคใช้สอยอันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ประทับอยู่แม้นะที่ใกล้แต่เศรษฐีนั้นไม่ได้ทําบุญกรรมเลยแม้แต่น้อยพระทุศพลตรัสว่าจริงอย่างนั้นมหาบพพิธบุคคลผู้สามปัญญาได้โภคะแล้วย่อมไม่แสวงหาความดีไม่แสวงหานิพพานตัณหาที่อาศัยโภคะก็สามารถฆ่าคนเหล่านั้นได้ ดังนี้แล้วตรัสว่าฮนันติโภคาทุมเมทังเป็นอาทิมีระยะดังพรนานามาแล้วแต่ตนก็อน่าคิดนะมีโภคาสมบัติแต่เป็นโลกยศัพน์นี่หลงจนกระทั่งว่าบริโภคใช้สอยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายก็ไม่ใช่ จึงใช้คำว่าผู้มีปัญญาสามแม้จะได้ทรัพยามากมายก็ตามทรัพย์นั้นก็ย่อมฆ่าตนเองได้สิบสองทานที่มีผลมากพระพุทธภาษิตตินโทสานิเขตานิราคะโทสาอยังประชาตัสมาหิวีต ร, ราเคสุทินังโหติ มหาพลังแปลว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษมูสัต์นี้มีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะโมหะและความอยากจึงเป็นทานที่มีผลมากอธิบายความว่านาข้าวของชาวนาที่ยากขึ้นมากย่อมทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เพราะต้นหญ้าเหล่านั้นไปแย่งอาหารของต้นข้าวชาวนาจึงต้องถอนต้นหญ้าที่งอกขึ้นในระหว่างระหว่างของต้นข้าวออกต้นหญ้าเป็นโทษของนาข้าวชั้นใดราคะโทสะโมหะและอิจฉาเป็นกิเลสโทษของหมูสัตว์ทำให้บุคคลเศร้าหมองการทำบุญให้ทานในบุคคลผู้เปี่ยมอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะและความอยากย่อมไม่มีผลมาก แต่ทานจะมีผลมากเมื่อทำในบุคคลผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะความอยากหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นว่านี่คือสาเหตุสาคัญที่ทำให้ศาสนิกพอใจทำบุญกับนักบวชของศาสนานั้นๆพุทธศาสนิ ก, กิ็พพอใจเต็มใจทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะน้อยหรือปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่นะแท่นบนรรทุกคำพลกิสิลาอาตของท้าวสกเทวราชทรงปรารภอังกุระเทพบุตรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องย ม, มกปาฏิหารแห่งพระคาถาว่าเยชานัปสุตตาธีราแห่งพุทธศตวตรรษที่14เรื่องย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระาศาสดาสเสด็จประทับ เหนือแทน่นบรรทุกกรมพลศิลาของเท้าสกะเทวราชชันดาวดึงสมัยเสด็จโปรดพระพุทธมารดาพวกเทพมาเฝ้ากันมากอังกุรเทพบุตรมาก่อนผู้อื่นนั่งใกล้แทน่นบรรทุกกรมพลแต่เมื่อเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอังกุระเทพบุตรก็ถอยออกไปเรื่อยๆส่วนอินทกะเทพบุตรหาต้องถอยไปไม่เลยพระาศาสดาตรัสกับอังกุระเทพบุตรว่า ควรเลือกให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะการเลือกให้พระสุคตส่งสรนเสริญทานที่ให้ในท่านที่เป็นทักคินยะบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหวานพืชในนาดีได้ยินว่าอังกุระเทพบุตรนั้นสมัยเมื่อเป็นมนุษย์เคยให้ทานแก่โลกียะมหาชนมากมายหุงต้มอาหารด้วยเตาที่ยาวเหยียดถึง12โยต์อยู่นานถึงหมื่นปีแต่ทานนั้นหามีผลมากไม่ แต่อินท ก, กเทพบุตได้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุธทธะเถระอานิสง์แห่งทานนั้นมีมากกว่าของอังกุระเทพบุตด้วยเหตุนี้พระาศาสดาจึงตัดว่านาทั้งหลายมีญาเป็นโทษหมูสัตว์มีราคะเป็นต้นเป็นอาธิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่24ชื่อตัณหา ว, ะะวัคควนน า, นา รวมสิบสองเรื่องจบเพียงเท่านี้ยังรำมกถาสาายสมันเตหิสันลัเกตปาติ ได้ขอคิดเยอะขอคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนี่คือขอคิดจากธรรมะคำสอนนะที่พระองค์ได้ทรงประทานไวน้ตั้งแก่ภิกษุโดยตรงละแก่กฤหัตญาตโยม น, ยนาคิดหลายเรื่องนี่ ต่งแต่เรื่องชีวิตที่เอาแน่นอนไม่ได้ทั้งส่วนที่ชีวิตรประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอะไรเป็นก่นสารของชีวิตนี่ก็ล้วนแต่งให้เราคิดพิจารณาจริงๆการเรียนรู้ธรรมะหรือเรียนพุทธจริยาของพระพุทธเจ้านะนะนะทาให้เราได้ขอคิดแต่พิจารณาเข้าไปถึงใจนะนะนะถ้าไม่เข้าถึงใจมันก็ เั้นเนเองว่าอยู่แค่นั้นเองนะธรรมดาธรรมดานะไม่ได้ทราบซึ่งไม่ได้ตึงใจอะไรนะแต่ถ้าสราบซึ่งตึงใจเข้าไปลึกๆเนี่ยว้ไม่ธรรมดาดิเนะีนะ่ทำให้มองเห็นทุกโทษนะี่ของวัตตะสงสารจริงๆเนะ่สิ่งที่เราคิดเ่มันมีอะไรหนุนอะยู่นี เราคิดอาจจะคิดไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้คิดดูข้างหลังด้วยเหมือนคนที่เดินไปข้างหน้าแต่มีไพยตามอยู่ข้างหลังไม่มีใครมองเห็นชีวิตของคนท่านบอกว่าเหมือนกับเราเดินไปอย่างไม่ปลอดภัยเพราะมีท่านในธรรมบทบางทีนะ่ผู้มีเวรตามอยู่ผู้มีเวร ที่เรามากรุธเจ้ากรรมนเวรเนี่ยแต่คนละความหมายกันนะละความหมายเนี่ยแต่ความหมายในธรรมะจริงๆนี่ใช้ให้หน่ากลัวเนี่ยผู้มีเวรเนี่ยคนส่วนมากไม่คิดถึงก็คือความตายความตายเกิดมาต้องตายแต่คนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาก็ลืมคิดว่าความตายมันจะมาไม่ถึงตนเนี่ย ก็เลยเพลินไปข้างหน้าไงนี่ทั้งนี้ความตายนี่ก็ตามติดตลอดเวลานี่มันทันเมื่อไรมันก็จัดการเมื่อนั้นดยมันมันไม่ได้ปล่อยไว้ด้วยนะความตายความตายนี้เรียกว่าตามไปทุกเก้าย่างเลยไม่ละเลยทุกเก้าย่างนยตามไปตลอดเนี่ยในภาสิตบางคอเนี่ยคนเขาเท่านั้นคิดว่าเราจะอยู่พรุ่งนี้มัรืูนนี้นี่หรือเดือนหน้าปีหน้า หรืออยู่เป็นส0บปีร0อยปีนี่นี่เขาไม่รู้หรอกว่าเนี่ยชราพยาธิมรณนมีอำนาจเหนือกว่าคอยที่จะจัดการเขาอยู่ทุกขณะก้าวย่าง <c oughs> เขาไม่รู้เลยครูบาอาจารย์ถึงอุปมาเหมือนเด็กๆร้งองพระชานั่นแหละแต่อุปมาเหมือนเขาจับไก่จะไปเชือดเนี่ยจับไก่ไปเชือดใส่ในกระทอ่อม จับใส่ในกระอห้ามไปนี่ย่ังดีใจอีกพอเขาเลี้ยงก็ให้ข้าวกินได้ไหมให้ข้าวกินเข้ามาจับมาอุ้มก็ล่องเาก็ดีใจว่าเจ้าของรักกแต่ก็รัฐบอกว่าเขายกดูว่าได้กี่กิโลเท่านั้นหรอกเนี่ยพอถึงกำหนดว่าโอ้มันได้หกเจกิโลแล้วมั้งนี่แล้จากน้าไปขายได้แล้วเ ข, ข้าโรงฆ่าสัตว์ได้แล้วนี่ก็จับยัดใส่กระทอเนี่ย อย่าใส่อัดแน่นอย่นั้นยกหามไปนี่ยังหลงดีใจอีกว่าเออเราดีนะเขารักเราจะพาไปไหนก็ไปเที่ยวก็ไม่รู้แล้วนีอก็ขันกันเอกีเอกีเอกไปนี่ดีไม่ต้องเดินเจ้าของหามไปไม่ต้องเดินอีกมีความสุขนี่โอยไปนี่มันหลงขนาดนั้นเลไม่เห็นมัจจุราชที่ตามเนี่ยมันไม่รู้กัน น, นี่โน้นพอจะรู้สึกตัวแล้ก็จับออกมา ถอนขนตอนขนคอเอกมามีดเชือดคอแล้วนูถึงรู้ว่าตอนนั้นโอยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขารักแล้วเนี่ยนั่นท่านเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยชีวิตทุกชีวิตนี่ก็มีความตายนี่ท่านเรียกว่าความตายนี่ตามมาทุกก้าวยางเนี่ยท่านเรียกว่าชีวิตของการเดินทางนี่มันมีผู้มีเบญทือดาบคอยประหารเราอยู่ตลอด เขาตามอยู่ตลอดไม่เคยหยุดเลยนั่นก็คือมัจจุราชไงเรื่อมัจจุราชเนี่ยตามอยู่ตลอดเนี่ยเพียงแต่ว่าจะถึงเวลาไหนเท่านั้นเองเนี่ยานที่พระพุทธองค์สอนว่าอย่าประมาทนะก็คือสิ่งนี้แหละคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วคนไม่ประมาทคือคนไม่ตายนี่คือมัจจุราชตามไม่ทันไงตามไม่ทันพราะรู้มัน รู้เหมือนเนีเหมือนที่พระพุทธเจ้านะเรารู้จากเจ้าเสร็จแล้วละรู้มันก่อนไงถ้ารู้ก่อนมันก็ทำอะไรไม่ได้นี่มันทำได้ยากไงเรามีเกาะป้องกันไว้ธรรมะนี่จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคู่กันกับการดำเนินชีวิตก็ได้เนี่ย และเป็นสิ่งเตือนใจให้เราได้รู้สึกตัวว่าการท่องเที่ยวในวัฏทุก์ในวัฏสงสารของเรานี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ขณะที่เรารู้นี่เท่านั้นนะที่มันผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่นี่ตายแล้วเกิดแต่ไรเกิดเนี่ยตายแล้วเกิดแล้วมีความสุขก็ยังพอว่านะบางทีตายเกิดได้มีแต่ทุกข์ก็มีหรือสุขบ้างทุกข์บ้างแต่สรุปแล้วก็คือทุกข์นั่นแหละมากสุข เพียงแต่น้อยเท่านั้นเองเนี่ยนี่ยก็ดูวันที่มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนี่บางทีมันก็น่าเบื่อนี่หรือบางคนอาจจะน่าสนุกนะหนุ่มๆน้อยๆนะโยังเพลิดเพลินแต่ถ้าอายุมากมันเบื่อเลหรือบางคนก็ไม่เบื่อก็มีเหมือนกันนะแก่แล้วยังไม่เบื่อก็มีเนี่ยแต่ถ้ามองถึงชีวิตไปข้างหน้าโอ้ยมันหมดเนยมันหมดความสุข ที่ปรารถนากันโดยมากมันเป็นความสุขที่ไม่จีหลังยั่งยืนเลยเป็นสุขที่าทางภาษาธรรมเรีว่ามันอิงอามิตรเท่านั้นมันสุขสเฉพาะที่เรามีความรู้สึกว่าเราเนะี่ยยังแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีชราพยาธิเบียดเบียนเนี่ยแค่นั้นพอสิ่งนี้มันมาเบียดเบียนโอ้ยหมดเลย ก็เหมือนที่ผู้ได้ฟังว่าเมื่อเช้านี้โยมคนนั้นมาน้าตาไหลนี่ร้องให้มันชีวิตทําไมมันโหดร้ายขนาดนี้ครับว่าไม่ได้โหดร้ายหรอกมันก็เป็นธรรมชาติที่มันเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่โหดร้ายก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะสิ่งน้อยนิดมันก็มีกรรมเหมือนกันดังที่เราได้ฟังมากรรมหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้จักนแต่ว่ามันก็มีมาตามมาเหมือนกันน แค่มันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีเรายังระลึกไม่ได้เลยเนี่ยทํามานีเรื่กรรมอะไรบ้างก็เรีรู้เล็กๆแน่นอนเด็ดที่มันจําได้ก็มีบ้างแหละที่จําได้ส่วนมากมันใหญ่ที่เล็กๆน้นอนมันจําไม่ได้เนี่ยเล็กๆน้อยนนี่บางทีมันมันอาคาดอยู่ก็ตามอยู่เหมือนกันแหละเนี่ยถ้าเรามองดูลักษณะนี้ก็จะเห็นว่าเออชีวิตที่ที่ผ่านมานี่แม้แต่กรรมเนี่ยเรายังรับประกันตนเองไม่ได้เลยนะเราทําดี ถึงที่สุดหรืออย่างหรือไม่ถึงที่สุดใน40ี่สิห้าเอร์เซไหมแต่ละวันเนี่ยมันก็ยังดูได้ยากเลยเนี่ยบางทีปล่อยกายปล่อยใจยไปไหนก็ไม่รู้อบางทีก็ทั้งวันไม่ได้คิดเลยไม่รู้เลยเนี่ยบางทีความดีความชั่วอะไรก็ไม่ได้คิดเลยว่าทําอะไรบ้างเนี่ยอแต่พอไปนึกจริงๆนึกหาความดีก็ไม่เจออ นึกหาสิ่งที่มันพอที่จะภูมิใจหน่อยมันก็นึกหาลําบากนะหาไม่เจอเนี่ยฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเราสร้างเราสมขึ้นมาให้มันเกิดความประทับไว้ในใจเนี่ยนี่มันเป็นที่พึ่งจริงๆรนะครนึกแล้วมันก็พอนึกไม่บางทีไม่นึกมันก็เกิดขึ้นมาเองใช่ได้สัมผัสเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่มาประกอบไปมันก็เกิดขึ้นของมันเองเนี่ยสมกับที่ว่าสั่งสมอะไรไว้เนี่ยก็ได้อนั้นเนี่ย ถ้าไม่สั่งสมมันก็ไม่ได้นี่อารมณ์ทางด้านจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าไม่สั่งสมเนี่ยหรือสั่งสมแต่สั่งสมไปคนละทางนะสั่งสมอารมณ์ที่ดีสั่งสมอารมณ์ที่ไม่ดีนี่สร้างปัจจัยอะไรไว้มันก็ได้อนั้นเหมือนกันเนะี่ยเราคิดอะไรคิดไม่หยุดพลังแห่งความคิดตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นมันก็มีพลังเนะี่ยทำให้เราก็หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นั้นแนหะมันออกไม่ได้ท้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอสนับสนุนก็มีกําลังเนี่ย มันมีกําลังมันก็ฮึ่เกิมมันก็ไปเรื่อยๆี่แต่ถ้าไม่สนับสนุนมันก็อ่อนกําลังเหมือนเวียนกันด้วยเป็นสิ่งที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆตอนนี้อาจจะไม่มองไม่เห็นหรอกนู่นเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ว่านี่บางทีร่างกายแข็งแรงหรือปัญหาทางด้านจิตใจเกิดขึ้นก็ยังเบื่อในชีวิตจนค่าตัวตายเลยเห็นไหมมันมีพลังถึงขนาดนั้นอะไรมันก็ไม่สุขแม้มีเงินมีทองมันก็ไม่สุขเลยเี่ย มีมากขนาดไหนมันก็อยากจะตายโดยซ้าไปเนี่มันทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยคือมันเป็นปัญหาปัญหาความสุขไม่ได้นี่เลยพอสุขทางด้านจิตใจเนี่ยแต่ถ้าปัญหาความสุขทางด้านจิตใจได้โอ้ถ้าอยู่อย่างไงมันก็เป็นสุขในี่เองเนี่ยเห็นมาอย่างชีวิตของพระอริยเจ้าท่านอยู่นะท่านไม่ทะยอทยานเนี่ยอยู่หลังเล็กๆหลังน้อยๆก็ได้ที่อยู่ที่อาศัย นอนยังไงก็ได้กินอยู่อย่างไรก็ได้นี่เพราะท่านไม่บริโภคด้วยตัณหาเนี่ท่านบริโภคด้วยปัญญาท่านถึงมีความสุขเนี่ยถ้าคนบริโภคด้วยตัณหานี่มันก็ไม่มีพอนะีมันก็ทุกอยู่ร่ำไปเนี่ยได้มามันก็ทุกได้มาห่วงมากวันเศรษฐีที่ว่ามันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่โอ้ลูกก็ไลูกเต่าเก็บไว้จะกินจะใช้ก็หวงเนี่ย คนด่ามาให้ยังด่า ย, ยังตีเขาอีกเลยถาว่าเขาอประชดตนเองเลยมันหลงขนาดนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้คิดไม่มีใครสกิดสักหน่อยหนึ่งว่าเออแล้วจะเอาไว้ทําอะไรแล้วเอาไปได้ไหมแล้วตนเองไม่ตายหรือไม่มีใครบอกเนะี่ยเหมือนพระเจาประเสริฐที่โกศลว่าดูที่มันน่าแปลกใจเนะี่ยพระเจ้าเจ้าเนี่ยผู้มีพระปัญญาก็เกิดอยู่แม่ไก่เนะี่ยเขาก็อยู่ใกล้ใกล้กลพระเจ้าเนะี่ยแต่ทำไมก็าต้ง ไม่ได้ฟังธรรมของพระ อ, องค์ไม่ได้พบพระ อ, องค์เลยนะเนียเห็นไหมลนะ่ะมันก็มีกรรมอยู่เหมือนกันเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะี่ยดังนั้นการที่จะได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะคำสอนเนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะบางที่โชคดีแล้วก็ยังกลับไปโชคร้ายก็มีเลยงคนโชคร้ายมาโชคดีเนะี่ยเป็นสิ่งที่นาคิดพิจารณานนะ ชีวิตทุกคนทว่าเปแล้วก็จุดมุ่งหมายนะก็คือความสุขใช้วาบรูลุ <c oughs> ดิ้นรนแสวงหาเพื่ออะไรเออเพื่อลาบเพื่อยศเพื่อชื่อเสียงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแลแต่ที่แท้จริงแล้วก็ต้องการความสุขันแหละแต่ว่ามันก็หาไม่เจอคิดว่าได้ลาบมามันจะสุขไห ถึงต้องสแสวงหาราบคิดว่าได้ยศมามันจะเป็นความสุขก็ <c oughs> ถึงสแสวงหานี่นี่แต่สุดท้ายได้มามันก็ยังมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆนี่นี่มันหาความสุขไม่ได้ในสิ่งนั้นเนี่ยตระหนึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญหรืออามิตรนี่ยแต่ความสุขเกิดจากความสงบต่างหากนี่สงบจิตสงบใจสงบจากความอยากนั่นแหละพูดง่ายๆนี่ สงบจากตัณหาความอยากเนี่ยเป็นผู้ยินดีพอใจในสิ่งที่มีที่ได้เนี่ยนั่นเป็นความสุขก็อยู่เหมือนกันแหละอยู่คล้ายๆกันแะแต่มันก็มีความสุขเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกันกินอยู่เหมือนกันต้องอาบต้องอกินต้องนอนต้องอะไรเหมือนกันหมดระหว่างบัณฑิตกับคนผ่านเ่ แต่ว่าทางใจมันต่างกันนะคนหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นะแต่คนหนึ่งอยู่เย็นเป็นสุขหรืออยู่เย็นนอนเป็นสุขนี่มันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นล้วนเกิดขึ้นแต่การสังสมกรรมคือการกระทำนะกรรมเป็นตัวแปรให้สุขหรือให้ทุกข์หรือให้หมดทุกข์ก็คือก ร, รมเป็นตัวแปรเหมือนกันเนี่ย คงจะสมควรนะเนี่ย uh, cool, <laughs>